ปกในหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานหากท่านได้รับหนังสือเล่มนี้แล้วขอได้โปรดตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมจากหนังสือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเพื่อให้สมตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคทุกๆ ท, ท่านด้วยเทินประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทปราโมทโช รวบรวมโดยรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสายพานิชและคณะพิมพ์ครั้งที่หนึ่งกุมภาพันธ์2552จำนวนพิมพ์ 3,700 เล่มพิมพ์ครั้งที่สองพฤษภาคม2552จำนวนพิมพ์ 21,000 เล่มสงวนลิขสิทธิห้ามพิมพ์จำหน่ายและห้ามคัดลอกหรือตัดตอนไปเผยแพร่าทางสือทุกชนิด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนผู้สนใจฟังบันทึกเสียงพระธรรมเทศนาหรืออ่านพระธรรมเทศนากันอื่นๆสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.wimuti.net ออกแบบและดำเนินการผลิตโดยสำนักพิมพ์ธรรมดา113หมู่บ้านจินดาธานีหมู่10ซอยบรมราชชนนี 119ถนนบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพ10170โทรศัพท์02888 7026คอมม่า02888 8356โทรสาร02888 8356พิมพ์ที่โรงพิมพ์เม็ดซาย